ศรัทาญาติโยมมากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดองค์หลวงป่าองค์หลวงตาพาดําเนินมาทุกวันใช่ไหมหลวงพ่ออยู่บ้านตาดอยู่กับองค์หลวงตาแต่หลวงป่าหลวงตาพาทาทุกปีไหมวัน ว, วันมาค้บูชา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 เออมันยังงั้นมันจริงจะถูกนะไม่ใช่ว่าอยู่กินเป็นวันวันไปแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะหลายปีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นกินแก่เพราะอยู่นาน <c oughs> เพราะกินข้าวเท่าเพราะหลายปีอันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> แก่เพราะกินก็กินข้าวเรากินข้าวมันก็แก่เท่าเพราะหลายปีแล้วก็อยู่นานไปก็เป แก้พรรษาไปไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นนะเห็ตั้งอกตั้งใจภาวนาของใครของเราประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลนั่นแหละคือบัลมีถ้ามีเรามีบัรมีดีแล้วอยู่นักสถานที่ใดเป็นดีทั้งหมดนั่นถ้าเราทํากรรมชั่วอยู่ที่ไหนมันก็ชั่วทั้งหมดออยู่บ้านใดตำบลใดมันก็ชั่ว